วันนี้เป็นวันเสาร์เป็นวันหยุดทำงานเป็นวันที่พวกเราได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาตักตวงประโยชน์สุขที่การเป็นมนุษย์จะสามารถตักตวงได้เพราะว่าไม่มีพบไหนชาติไหน ที่จะสามารถตักตวงประโยชน์สุขให้กับพวกเราได้เท่ากับภพบของของมนุษย์ถ้าเราไปเกิดในภพอื่นเช่นถ้าไปเกิดเป็นเทวดาเป็นพรหมเราก็ไปรับผลของบุญที่เราได้กระทำกันแต่เราจะไม่สามารถสร้างบุญสร้างกุศลเพิ่มขึ้นได้ หรือถ้าเราไปรับผลบาปไปเกิดในอบายไปเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตไปตกนรกเราก็จะไม่สามารถที่จะทำบุญได้เช่นเดียวกันเราจะต้องรับผลบาปที่เราทำแต่เวลาที่เรามาเกิดเป็นมนุษย์นี้เป็นเวลาที่เราสามารถที่จะ สร้างบุญสร้างกุศลได้อย่างมากมายกายกองและสามารถยับยั้งการกระทำบาปต่างๆได้ถ้าเรารู้จักเรื่องของบุญเรื่องของบาปว่ามีผลต่อชีวิตของเราอย่างไรการที่เราจะรู้ เรื่องผลบุญผลบาปเรื่องของการกระทำบุญของการกระทำบาปก็ต่อเมื่อเราได้มาพบกับผู้รู้อย่างพระพุทธเจ้าอย่างพระอริยสงสาวกท่านเป็นผู้ที่รู้ว่าการกระทำต่างๆของเราในขณะที่เป็นมนุษย์นี้มีผลที่จะตามมาอย่างมหาศาล ถ้าทำบุญก็จะได้ผลบุญอย่างมหาศาลถ้าทำบาปก็จะได้ผลบาปอย่างมหาศาลมีพบของมนุษย์นี้เท่านั้นที่จะสามารถทำบุญหรือทำบาปได้อย่างมหาศาลน้าจะทำบุญและไม่ทำบาปได้ก็ต่อเมื่อเราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาได้พบกับพระพุทธเจ้า ก็ดีหรือพบกับพระธรรมคําสอนก็ดีหรือพบกับพระอริยสงสาวกก็ดีถ้าเราได้พบกับท่านเหล่านี้แล้วเราจะได้เรียนรู้จะได้ยินได้ฟังเรื่องของบุญเรื่องของบาปเรื่องของผของผลของบุญและผลของบาปที่จะตามมาหลังจากที่เราตายไปแล้ว เมื่อเราได้ยินได้ฟังแล้วเราก็จะได้เห็นคุณค่าของการที่เรามาเกิดเป็นมนุษย์และเราจะเห็นคุณค่าของการที่เราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาเพราะว่าถ้าเรามาเกิดเป็นมนุษย์แต่เราไม่ได้พบกับพระพุทธศาสนาเราก็จะไม่รู้เรื่องบุญเรื่องบาปจะไม่รู้เรื่องผลของบุญผลของบาปที่จะตามมา หลังจากที่เราตายไปแล้วเราก็จะมักไปทำบุญมากกว่าเราจะไปทำบาปกันเพราะว่าภายในจิตใจของพวกเรามีความโลภความโกรธความหลงมีความอยากต่างๆที่จะทำให้เราทำบุญได้ยากทำบาปได้ง่ายเพราะเวลาเราทำบุญเราจะ เวลาเราทำบุญเราจะต้องไม่ได้สิ่งที่เราอยากได้กันไม่ได้สิ่งที่เราโลภ ก, กันเช่นเงินทองแทนที่จะได้เงินทองจากการทำบุญเรากลับต้องมาเสียเงินเสียทองถ้าไม่มีใครบอกว่าการทำบุญนี้มีคุณประโยชน์มากกว่าการหาเงินหาทองเราก็จะไม่รู้กัน เราก็จะคิดตามกิเลสตามความอยากที่จะบอกว่าให้เราหาเงินหาทองกันมามากๆเพราะว่าเมื่อเรามีเงินทองแล้วเราจะได้ทำอะไรต่างๆที่เราอยากจะทำกันเราจะได้มีความสุขกันแต่เราไม่รู้ว่าความสุขที่เราได้จากการกระทำตามความอยากต่างๆนั้นเป็นความสุขปลอม เป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขเดียวเดียวแล้วก็จะถูกความทุกข์ตามมาเวลาที่เราเสียความสุขจากการที่เราได้จากการกระทาตามความอยากต่างๆพอความสุขนั้นหมดไปความทุกข์ก็จะเข้ามาแทนที่ทันทีจึงทาให้เราต้องไปหาความสุขอยู่เรื่อยๆ หาเท่าไหร่ก็หนีไม่พ้นความทุกข์เสียทีเพราะความทุกข์จะตามมาตลอดเวลาเพราะว่าความสุขที่เราหากันเป็นความสุขชั่วคราวนั่นเองแต่เราไม่รู้กันว่าวิธีหาความสุขที่แท้จริงนั้นหาด้วยการทำบุญหาด้วยการเสียสละข้าวของเงินทองเรากลับไปเห็นว่าการเสียเงินเสียทองนั้น เป็นความทุกขกันเราจรึงไม่ชอบทำบุญกันไม่อยากทำบุญกันเราชอบเอาเงินไปซื้อของตามความอยากกันเอาเงินไปใช้ตามความอยากกันเพราะเราได้ความสุขทันทีในขณะที่เราทำตามความอยากอยากดื่มอะไรพอได้ซื้อมาดื่มก็ได้ความสุขทันทีอยากจะดูอยากจะฟังอะไร พอได้ดูได้ฟังก็มีความสุขทันทีเราจึงยินดีที่จะเสียเงินเสียทองเพื่อซื้อความสุขต่างๆเหล่านี้และเราก็จะมีความโลภมีความอยากหาเงินหาทองกันแล้วถ้าเราอยากได้เงินมากๆเกินความสามารถของเราเราก็จะไปหาวิธีที่ จะทําให้เราต้องทําบาปอเพราะการกระทาบาปจะทําให้เราหาเงินได้ง่ายหาเงินได้มากหาเงินได้เร็วถ้าเราไม่รู้เรื่องผลของบาปที่จะตามมาเราก็จะไม่กลัวบาปกันเราก็จะทําบาปกันเพราะเราเห็นว่าเราจะได้เงินทองมาเมื่อเราได้เงินทองเราก็จะได้ความสุขกัน เราจะได้ไปใช้เงินทองซื้อความสุขต่างๆกันนี่คือจิตใจของพวกเราที่จะมีความรู้สึกแบบนี้ตามอำนาจของความโลภความโกรธความหลงของความอยากต่างๆเราจะเห็นกับตาลปัดเห็นกงจากเป็นดอกบัวเห็นการทำบาปนันเป็นวิธีหาความสุข เห็นการทำบุญว่าเป็นวิธีหาความทุกข์กันเพราะถ้าทำบุญเราก็ไม่สามารถเอาเงินไปเที่ยวได้ไม่สามงาดเอาเงินไปซื้อสิ่งที่เราอยากได้เพราะเราไม่ได้ใช้เงินทองไปซื้อไปทำสิ่งที่เราอยากเราก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาแต่ถ้าเราได้มาพบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ท่านจะสอนพวกเราว่าการทำบุญจะเป็นการสร้างความสุขที่แท้จริงเพราะว่าเวลาเราทำบุญแล้วใจของเราจะมีความอิ่มมีความพอจะไม่รู้สึกหิวโหวยเหมือนกับเวลาที่เราใช้เงินไปทำตามความโลภทำตามความอยากต่างๆ ยิ่งได้มามากน้อยเพียงไรก็ยิ่งอยากได้มากขึ้นไปเรื่อยๆแทนที่จะเกิดความอิ่มเกิดความพอกับเกิดความหิวเกิดความอยากเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆเพราะความสุขที่เราได้จากการทำตามความอยากมันเป็นความสุขปลอมมันเป็นความสุขที่ทำให้เกิดความหิวเกิดความอยากได้ความสุขแบบนี้เพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆ ได้มากน้อยเพียงไรก็ไม่เคยอิ่มไม่เคยพอไม่เหมือนกับความสุขที่เราได้จากการเสียสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไปมันจะทำให้เราเกิดความอิ่มใจสุขใจขึ้นมาแล้วเราจะได้ยินได้ฟังถึงโทษของการที่เราทำบาปกันเพราะเราอยากได้เงินง่ายๆได้มากๆได้เร็วๆ เราก็คิดว่าการทำบาปนี่เป็นวิธีที่ดีที่สุดสำหรับการหาเงินแต่เราไม่รู้ว่ามันมีโทษตามมาตายไปนี่เราต้องไปเกิดในอบายกันไปเป็นเปรตไปเป็นเดรัจฉานไปตกนรกกันและขณะที่ยังไม่ตายใจเราก็วุ่นวายไปกับการกระทำบาปของเราเกิดความวิตกกังวล เกิดความหวาดกลัวและอาจจะถูกจับไปลงโทษในขณะที่ยังไม่ตายก็ได้ไปติดคุกติดตารางกันอันนี้เป็นสิ่งที่พวกเราถ้าไม่มีพระพุทธศาสนามาสั่งมาสอนพวกเราพวกเราก็จะทำบุญยากและพวกเราจะเห็นว่าการทำบุญนี่เป็นของยาก และไม่ได้ประโยชน์อะไรส่วนการทาบาปนี้เป็นของง่ายและได้ประโยชน์ได้เงินได้ทองได้เอาเงินทองไปซื้อความสุขต่างๆแต่เราไม่มองเห็นถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับจิตใจของเราว่าเวลาเราทำบุญไปแล้วจิตใจของเราเย็นมีความสุขมีความอิ่มเวลาเราทำตามความอยากหรือเราทำตาม ทำบาปนี่ใจเราจะร้อนใจเราจะวุ่นวายใจเราจะหวาดกลัวจะอยู่ไม่เป็นสุขเนี่ยเราต้องอาศัยคนที่รู้อย่างพระพุทธเจ้าหรือพระอริยสงฆ์สาวกมาสอนมาบอกพวกเราถึงเรื่องของคุณของการทําบุญและถึงเรื่องของโทษของการทําบาปและ ได้และมาฟังความสามารถของการเป็นมนุษย์ของเราว่ามนุษย์ของเรานี่แหละเป็นผู้ที่สามารถที่จะสร้างอะไรที่ดีที่ประเสริฐได้ไม่มีพบไหนชาติไหนที่จะสามารถทำได้เหมือนกับพบของมนุษย์เนี่ยแล้วก็เป็นพบของมนุษย์นี่แหละที่จะทำสิ่งที่เลวร้ายให้กับตนเองได้อย่างสุดๆเช่นเดียวกัน เช่นทำบาปไปแล้วก็ไปตกนรกในขุมลึกที่สุดชเช่นกระทำ อ, อนันตริยกรรม5ประการการทำบาป5ประการที่ถือว่าเป็นการกระทำบาปที่หนักที่สุดก็คือ 1. การฆ่าพ่อ 2. การฆ่าแม่ 3. การฆ่าพระ อ, อรหรันต์ การกระทําให้พระพุทธเจ้าห่อเลือดและห้าการยุยงทําให้สงแตกความสามัคคีนี่ยพระเทวทัตนี่เป็นผู้ทําให้พระพุทธเจ้าห่อเลือดและทําให้ยุยงให้สงเกิดความแตกแยกเป็นสองฝ่ายฝ่ายของพระพุทธเจ้ากับฝ่ายของพระเทวทัตเนี่พอพระเทวทัตาตายไปน ถึงแม้จะได้บวชได้ทำบุญมาอยู่หลายสิบปีด้วยกันมีอภิน ญ, ญามีความสามารถทางด้านจิตแต่ก็ไม่สามารถที่จะยับยังอนันตริยกรรมคือผลของอนันตริยกรรมคือบาปที่ตนเองได้ทำต่อพระพุทธเจ้าต่อพระสงฆ์ทำให้ต้องไปตกนรกในขุมที่ลึกที่สุด อันนี้พวกเราจะไม่มีวันรู้กันถ้าเราไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาไม่รู้ความสามารถของความเป็นมนุษย์ของเราว่าสามารถทำสิ่งที่ดีที่สุดที่สัตวโลกทั้งหลายปรารถนาที่จะได้รับกันก็คือการได้บรรลุ ถ, ถึงพระนิพพานการได้หลุดพ้นจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิด ต้องเกิดจากการมาเป็นมนุษย์กันถ้าไปเกิดอยู่ในภพอื่นนี้จะไม่สามารถที่จะทำได้ยกเว้นพระอริยบุคคลเท่านั้นที่ไปยังไปเกิดอยู่บนสวรรค์ชั้นพรหมเช่นพระอนาคามีแต่ถ้าเป็นพรหมธรรมดาพรหมที่เกิดจากการนั่งสมาธินี้จะไม่สามารถไปถึงพระนิพพานได้ ไปได้แค่สวรรค์ชั้นพรมแล้วก็จะต้องเสื่อมลงมาสู่สวรรค์ชั้นเทพและกลับลงมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็มาสร้างบุญสร้างบาปกันใหม่ก็จะไปได้เพียงในระดับสวรรค์ชั้นพรมเท่านั้นแต่ถ้าเป็นมนุษย์แล้วได้มาพบกับพระพุทธศาสนา ได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนให้ปฏิบัติเพื่อบรุมรรผลนิพพานพอได้บรรุถึงพระอริยะเจ้าขั้นที่หนึ่งเป็นพระโสดาบันก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกไม่เกินเจ็ดชาติเป็นอย่างมากถ้าได้ขั้นที่สองขั้นพระสกิดาคามีก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเพียงชาติเดียว ถ้า ไ, ได้เป็นพระอนาคามีเป็นขั้นที่สามก็จะได้ไปไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกต่อไปแต่ยังต้องไปเกิดบนสวรรค์ชั้นพรมแล้วก็จะบรรลุเป็นพระอาหารหันต์จากสวรรค์ชั้นพรมไปมีมีสวรรค์ชั้นพรมของพระอริยเจ้าเท่านั้นที่สามารถปฏิบัต ให้ไปถึงพระนิพพานได้ถ้าเป็นเป็นสวรรค์ชั้นพรหมของของฌานต่างๆของรูปประชานของอรู ป, ประชานี้ไปไม่ถึงพระนิพพานไปได้แค่สวรรค์ชั้นพรหมชั้นอรูปปภมรูปปภมอรูปปภมแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเสื่อมลงมาเป็นเทพกลับมาเป็นมนุษย์ใหม่กลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายใหม่ มาทำบุญทำบาปใหม่ตามตามตามอุปนิสัยเดิมที่ได้เคยทำทาไว้ถ้าเคยทำบุญเวลากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะชอบทำบุญถ้าเคยนั่งสมาธิเวลากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะชอบนั่งสมาธิถ้าถ้าเคยฆ่าฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีพูดตด พูดปดดื่มสุรายาเมาก็จะกลับมาทำในสิ่งที่เคยทำแล้วก็จะต้องกลับไปรับผลของการกระทาของตนถ้าทำบุญก็กลับไปสวรรค์ชั้นเทพนั่งสมาธิก็กลับไปสวรรค์ชั้นพรหมข่าสัตว์ตัดชีวิตทำบาปทำกรรมก็ไปอบายแล้วก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ ทำอย่างนี้กลับไปกลับมาอยู่เรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดจนกว่าเราจะได้มาพบกับพระพุทธศาสนามาเกิดเป็นมนุษย์แล้วมีพระพุทธศาสนามาสั่งมาสอนให้ปฏิบัติให้บรรลุมรรคผลนิพพานกันด้วยการเจริญปัญญาหลังจากที่รักษาศีลได้แล้วทำบุญทำทานได้แล้ว นั่งสมาธิได้แล้วก็ยังต้องปฏิบัติอีกขั้นหนึ่งก็คือขั้นของปัญญาต้องพิจารณาให้เห็นว่าการเวียนว่ายตายเกิดนี่เกิดจากกิเลสตัณหาคือความโลภความอยากต่างๆเช่นกาม m ตัณหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะภาะวะตัณหาความอยากมีอยากเป็น และวิภาวะตัณหาความอยากไม่มีอยากไม่เป็นที่เป็นตัวฉุดลากให้จิตใจต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อยู่เรื่อยไปถึงสวรรค์ชั้นพมก็ต้องกลับมาเป็นมนุษย์ไปเป็นเปรตไปเป็นเดรัจฉานไปตกนรกก็ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เพราะว่าการทําบุญการรักษาศีลการนั่งสมาธินี้ไม่สามารถกำจัด ตันหาความอยากทั้งสามนี้ให้หมดไปจากใจได้ต้องใช้ปัญญาปัญญาที่เห็นโทษของความอยากว่าเป็นตัวเป็นเหตุที่พาให้สัตว์โลกต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายกันอยู่เรื่อยๆแล้วก็ต้องหยุดมันให้ได้เวลาที่เกิดความอยากทุกครั้งทุกครั้งที่เกิดความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสก็ต้องฝืนไม่ทำตาม ถ้าฝืนได้ความอยากมันก็จะอ่อนกำลังไปและหมดไปในที่สุดพอความอยากทั้งสามหมดกำลังมันก็จะไม่มีอำนาจที่จะดึงให้ใจของสัตว์โลกกลับมาเกิดแก่เจ็บตายได้อีกต่อไปอันนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราได้มาเกิดเป็นมนุษย์และเราได้มาพบกับพระพุทธศาสนา ถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์แต่ไม่ได้พบกับพระพุทธศาสนาเราก็จะทำบุญทำบาปไปตามอุปนิสัยของเราถ้าเราเคยทำบุญเราก็จะทำบุญต่อเราเคยไม่ทำบาปเราก็จะไม่ทาบาปต่อถ้าเราเคยทำบาปเราก็จะกลับมาทำบาปต่อถ้าเราเคยเสพบอบายามุกเราก็จะกลับมาเสพบอบายามุกต่อ อบายมุก ค, คืออะไรก็คือการดื่มสุราการเล่นการพนันการเที่ยวกลางคืนการเที่ยวดูการละเล่นต่างๆการครบคนไม่ดีเป็นมิตรการขีความเกลียดคร้านถ้ามันเคยมีอยู่ในนิสัยใจคอเราเวลาเรากลับมาเป็นมนุษย์เราก็จะกลับมาทําพวกนี้อีกโดยที่ไม่ต้องมีใครมาสอนไม่ต้องมีใครมาชวน พอเห็นสุรานี่ก็เปี้ยวปากขึ้นมาทันทีเห็นเขาเล่นการพนันก็อยากจะไปเล่นกับเขาเห็นสถานบันเทิงก็อยากจะไปเที่ยวอันนี้ถ้ามีนิ ส, สัยเดิมอยู่มันจะไปมันจะทําตามที่มันเคยทําำถ้ามันไม่เคยทํามันไม่ชอบอมายามุกต่างๆมันก็จะไม่ทําจะมีใครมาชวนมาลากไปก็ไม่ไปถ้าไม่ ถ้าไม่ชอบทำบาปจะมีใครมาชวนให้ไปทำบาปก็ไม่ไปทำจะไมีเหตุการ์บังคับให้ทำบาปก็จะไม่ทำเช่นอดอยากขาดแคลนจะจะจะไม่ไปลักขโมยเพื่อไปหาอา ห, อ า, หารมายอมอดหรือว่ายอมไปทำงานทำงานที่ยากเย็นที่ต้องใช้แรงงานต้องเนหน็ดเหนื่อยเมื่อไก็ยินดี กว่าการที่จะไปรักไปขโมยถ้ามีนิ ส, สัยอย่างนี้มามันก็จะทำตามนิ ส, สัยเดิมนี่คือเหตุที่ทำให้มนุษย์เรามาเกิดแล้วมาทำอะไรไม่เหมือนกันคนบางคนก็ชอบดื่มสุราบางคนก็ชอบเล่นการพนันบางคนก็ชอบเที่ยวกลางคืนเที่ยวดูการและเล่นต่างๆบางคนก็ชอบคนไม่ดีเป็นมิตร บางคนก็มีความเกลียดค้านบางคนก็ชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิตยิงนกตกปลาบางคนก็ชอบลักทรัพย์บางคนก็ชอบประพฤติผิดประเวณีบางคนก็ชอบโกหกหลอกลวงบางคนก็ชอบดื่มสุรายาเมาอันนี้มันเป็นผลที่เคยทำมาในอดีตนั่นเองทำให้ทำง่าย อะไรที่เราเคยทำแล้วอะไรที่เป็นนิสัยเป็นสันดานแล้วมันจะทำง่ายเช่นเดียวกับคนที่ชอบทำบุญทำทานคนที่ชอบรักษาศีลคนที่ชอบนั่งสมาธิ<ะ>ก็จะชอบทำสิ่งเหล่านี้ <c oughs> เวลากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ <c oughs> ก็จะมาทำบุญทำทานมารักษาศีลมานั่งสมาธิกันอันนี้เป็นเรื่องของนิสัย ที่ทําให้เรามาแล้วมาทําอะไรต่างต่างกันไปแต่การกระทําต่างๆเหล่านี้มันก็ยังทําให้เราติดอยู่ในตใจพบอยู่ติดอยู่ในรูปพบอรูปพบและกามพบอยู่การที่เรามาติดในกามพบเพราะเรายังมีกามตัณหายังมีความอยากในรูปเสียงเกิด ถ, ถ้าเราไป เกิดในรูปภพอรูปภพก็เพราะว่าเรายังมีภาวะตัณหาและมีวิภาวะตัณหาอยู่แต่ถ้าเราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาแล้วได้ยินได้ฟังจากพระพุทธเจ้าก็ดีหรือจากพระอริยสงฆ์สาวก็ดีว่าถ้าเราไม่อยากจะติดอยู่ในตายภพแห่งการเวียนว่ายตายเกิดเราก็ต้องมาหยุดกามตัณหากันหยุดภาวะตัณหากัน หยุดวิภาวะตัณหากันด้วยการเจริญปัญญาให้เห็นโทษว่าการกระทำตามกามาตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหานี้ไม่ได้นำไปสู่ความหลุดพ้นจากความทุกข์แต่นำไปสู่การไปเจอความทุกข์ใหม่ๆอยู่เรื่อยๆเพราะความอยากจะไม่สามารถทำให้เราได้สิ่งที่ทำให้เราอิ่มให้เราพอ จกลับจะทำให้เรามีความอยากเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆและถ้าเราไม่ได้ทำตามความอยากเราก็จะพบกับความทุกข์กันแล้วถ้าเวลาเราตายไปความอยากนี้มันก็จะดึงให้เรากลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายใหม่นี่คือปัญญาที่พระพุทธเจ้าได้ส่งคนพบความรู้ที่พระพุทธเจ้าได้ส่งคนพบ ทรงเห็นโทษของกา마ตัญหาภาวะตัญหาและวิภวะตันหาว่าเป็นตัวที่ดึงจิตใจให้เข้าสู่กองทุกข์ไม่ได้ดึงให้ออกจากกองทุกข์เป็นตัวที่ดึงจิตใจให้ติดอยู่กับกองกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดแห่งการเกิดแก่เจ็บตายถ้าเราอยากจะหลุดออกจากกองทุกข์หลุดออกจากการเวียนว่ายตายเกิด เราก็ต้องไม่ทำตามความอยากทั้งสามประกาศนี่ไม่ทำตามกามาตันหาภาวะตันหาและวิภาวะตันหาจะฝืนได้เราก็ต้องมีจิตที่สงบมีจิตที่เป็นอุเบกขามีจิตที่มีความสุขที่เกิดจากความสงบเพราะว่าถ้าเรามีความสุขที่เกิดจากความสงบแล้วเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปหาความสุขตามความอยากต่าง แล้วถ้าเรามีปัญญามาบอกเราว่าการไปหาความสุขตามความอยากต่างๆเป็นโทษเป็นโทษเป็นการนำไปสู่ความทุกข์เราก็จะไม่ทำตามความอยากและเราจะสามารถทำได้เพราะว่าเรามีความสงบเป็นกเป็นพลังของเราเป็นพลังที่จะต้านความอยากต่างๆได้แต่ถ้าเราไม่มีสมาธิไม่มีความสงบเนี่ย ถึงแม้เราจะรู้อย่างพวกเราตอนนี้ก็รู้กันว่าการทําตามความอยากมันทํานํำพาไปสู่ความทุกข์กันความสุขที่ได้เป็นความสุขปลอมเป็นความสุขเดี๋ยวเดียวแล้วเดี๋ยวความทุกข์ก็จะตามมาแต่เราก็ยังไม่มีกําลังที่จะหยุดความอยากต่างๆได้อยากจะไปเที่ยวก็ยังต้องไปเที่ยวอยู่ฝืนมันไม่ไหวไม่มีกําลังฝืน เพราะไม่มีความสงบไม่มีความสุขที่เกิดจากความสงบนั่นเองถ้ามีความสุขที่เกิดจากความสงบแล้วเราจะฝืนได้ถ้าปัญญาบอกเราว่าอย่าไปทำตามความอยากทำตามความอยากแล้วมันนำไปสู่ความทุกข์ต่อไปเพราะสิ่งที่เราได้มามันจะต้องหมดไปหมดแล้วมันก็ทำให้เราทุกข์ทำให้เราต้องไปหาใหม่ หามาได้มากได้น้อยเดี๋ยวมันก็ต้องหมดไปอยู่เรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดเนี่ยการที่เราจะหยุดความอยากต่างๆได้เราจึงต้องมีสองอย่างมีสมาธิสมาธิก็ต้องเป็นสมาธิในระดับอปปนาสมาธิจิตรวมลงเป็นหนึ่งสักแต่ว่าเราเป็นอุเบกขาถ้าจิตลงไปถึงฐานของจิตค อ, อูเบกขาแล้วเวลาออกจากสมาธิมา จะมีกำลังสู้กับตันหาความอยากต่างๆได้ถ้าปัญญาบอกว่าตันหาเป็นโทษก็จะไม่ทำตามทันทีจะไม่ทำตามความอยากทันทีและจะทำได้เพราะมีกำลังหยุดหยุดความอยากได้ไม่ทำตามความอยากได้แต่ถ้าไม่มีสมาธินี้จะไม่มีกำลังถึงแม้ปัญญาบอกว่าอยากทำทำแล้วจะทุกข์ก็ทนไม่ไหว เพราะเวลาที่อยากนี่มันทุกแสนทุกแสนทรมานใจนั่นเองก็เลยต้องไปทำเพื่อระบายความทุกข์ก็ได้ความสุขชั่วคราวแล้วเดี๋ยวความสุขนั้นก็หายไปความทุกข์ใหม่ก็เกิดขึ้นมาความอยากใหม่ก็เกิดตามมาแล้วก็ต้องไปทาตามความอยากใหม่ก็จะไม่มีวันที่จะหยุดความอยากได้แต่ถ้าเรามีสมาธิมีความสงบ มีความสุขที่เกิดจากความสงบนี้เราจะไม่ทำตามความอยากได้เราจะไม่เดือดร้อนใจเราจะไม่ทุกข์ทรมานเหมือนกับใจที่ไม่มีสมาธิใจที่ไม่มีสมาธินี้มันจะทุกข์ทรมานมากเวลาเกิดความอยากขึ้นมาแต่ถ้าใจที่มีสมาธิแล้วนี้จะไม่ทุกข์ไม่ทรมานจะรู้สึกเฉยเฉยรู้ว่าอยากแต่ไม่ทรมาน นั่นรู้ว่าการทําตามความอยากจะนําไปสู่ความทุกข์จะนําไปสู่ความอยากที่ไม่มีวันสิ้นสุดก็ไม่ทําตามความอยากพอไม่ทําตามความอยากความอยากนั้นก็จะหมดกําลังไปในที่สุดแล้วก็จะไม่มีความอยากมารบกวนใจเราอีกต่อไปนี่คือศักยภาพของการเป็นมนุษย์เนี่ยมนุษย์เท่านั้นที่จะสามารถปฏิบัติไปถึงม พระนิ่ผานได้การเป็นมนุษย์เท่านั้นเป็นเทพไปไม่ได้เป็นพรหมไปไม่ได้เพราะเวลาเป็นเทพก็จะไปเสพสุขกันจะไม่สนใจกับการที่จะมาปฏิบัติธรรมกันเป็นพรหมก็ไม่เกี่ยวข้องกับใครไม่รับรู้อะไรอยู่ในความสงบไปถ้าไปเป็นเดรัจฉานก็ต้องมัวต้องมา คอยดูแลรักษาร่างกายของตนเลี้ยงเลี้ยงปากเลี้ยงท้องคอยหากินแล้วก็ต้องทำบาปในการทำมาหากินเป็นเปรตก็ต้องไปเป็นหิวโหยอยู่ตลอดเวลาไปนรกก็มีแต่ความรุ่มร้อนจิตใจอยู่ตลอดเวลาไม่มีกระจิตกระใจที่จะมาทำบุญมารักษาศีลมาจเจริญปัญญามานั่งสมาธิ เป็นมนุษย์เท่านั้นที่จะมีศักยภาพมีสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการที่เราจะได้มาทําบุญมารักษาศีลมานั่งสมาธิมาเจริญปัญญากันแต่ก็ต้องมีพระพุทธศาสนาถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์แล้วไม่มีพระพุทธศาสนาก็จะไม่มีใครสอนเรื่องของการบรรลุมรรคผลผนิพพานเรื่อง ของการหยุดความอยากต่างๆเรื่องของการเห็นโทษของความอยากต่างๆว่าจะนำไปสู่ความทุกข์นำไปสู่การเกิดแก่เจ็บตายอย่างไม่มีวันจบสิ้นต้องมีพระพุทธศาสนาเท่านั้นถึงจะถึงจะมีคนมาสอนมาบอกพวกเราอย่างตอนนี้ถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาถ้าไปที่อื่นจะไม่มีใครสอนเรื่อง มัรผลนิพานเรื่องความสามารถของการเป็นมนุษย์ของเราว่าเราสามารถทำตัวเราให้เป็นอะไรกันได้บ้างถ้าเราไปที่อื่นเขาก็จะสอนให้เราหาเงินหาทองหาราบยศเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกเิ่นกายเท่านั้นเขาจะไม่รู้เรื่องของการสร้างบุญสร้างกุศลเรื่องของการละการกระทาบาปต่างๆ เรื่องของการเจริญสร้างมรรคผลในพานกันมีพระพุทธศาสนาเท่านั้นที่เป็นแหล่งความรู้เหล่านี้ที่จะสอนนัดจะนำพาพวกเราให้ได้ไปสู่ความสุขที่เลิศที่สุดที่ประเสริฐที่สุดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่แน่นอนที่ถท้าวรที่ไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมดไม่เหมือนกับ แหล่งความรู้อื่นๆเขาจะสอนให้เราไปหาลาบยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันซึ่งเป็นความสุขชั่วคราวรเวลาได้มาก็ดีใจกันเวลาสูญเสียไปก็ร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจกันแล้วเวลาตายไปก็ต้องกลับมาหาลาบยศสรรเสริญกลับมาหาลูกเสียงกลิ่นรสใหม่อีก กับแมวเวียนว่ายตายเกิดใหม่อีกกรรมมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกน่าไม่ใช่รอบเดียวกรรมมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายไปเป็นล้านล้านรอบไม่มีวันสิ้นสุดจนกว่าจะได้มาพบกับพระพุทธศาสนามาได้ยินได้ฟังความสามารถของการเป็นมนุษย์ของเราว่าเราสามารถทำอะไรได้บ้าง ว่าเราสามารถทำบุญได้อย่างสุดๆดหรือทำบาปได้อย่างสุดๆุดหรือสามารถาบรรลุมรรคผลนิพพานได้อันนี้เราจะเรียนรู้ได้ต่อเมื่อเราได้มาพบพระพุทธศาสนาแล้วเราถึงจะรู้ว่าเรามีสมบัติอันล้าค่าอยู่กับตัวเราโดยที่เราไม่รู้สึกตัวเราถ้าเราไม่ได้พบพระพุทธพระพุทธศาสนาเราจะคิดว่า ของลํำค่าต่างๆนี่อยู่นอกกายเรานอกใจเราอยู่ที่กองลาบยศสรรเสริญอยู่ที่กองเงินกองทองอยู่ที่ตำแหน่งฐานะต่างๆเราจะมองออกไปที่เหล่านั้นคิดว่ามีเงินมีทองแล้วเราจะได้ความสุขอย่างมหาศาลได้เป็นใหญ่เป็นโตแล้วเราจะได้มีความสุขอย่างมหาศาล ได้รับการยกย่องสรรเสริญเยินยอแล้วทำให้เรามีความสุขอย่างมากมายมีรูปเสียงกลิ่นรสชนิดต่างๆให้เราเสพอยู่เรื่อยๆนี่จะเป็นความสุขอย่างยิ่งนั่นแหละเ ป, เป็นความสุขปลอมทั้งนั้นเราจะไม่รู้กันถ้าเราไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาที่จะสอนว่าความสุขเหล่านี้เป็นความสุขปลอม เป็นความสุขที่เราไม่ควรที่จะไปหากันเพราะมันจะกลายเป็นความทุกข์ต่อไปนั่นเองเพราะราบยศสะละเสริญรูปเสียงเก็บรดต่างๆนี้มันจะต้องมีวันเสื่อมมีวันหมดไปเวลามันเสื่อมเวลามันหมดไปนี้ความสุขที่ได้จากมันก็จะกลายเป็นความทุกข์ไปให้มาหาการมาหาราบมาหามรรคผลนิพพานกันดีกว่า มาหาบุญมาหากุศลกันดีกว่าแล้วก็อย่าไปทำบาปโดยเด็ดขาดเพราะทำบาปแล้วก็จะทำให้เราต้องไปรับโทษอย่างแสนสาหัสในอบายอีกต่อไปให้เราทำบุญแล้วเราก็จะได้เป็นเทพเป็นพรมไปก่อนแล้วถ้าเราสามารถปฏิบัติต่อไปจากขั้นสมาธิคือขั้นปัญญาได้เราก็จะไปสู่มรรคผลนิพพาน ไปสู่การเป็นพระอริยบุคคลขั้นต่างๆเป็นพระโสดาบันเป็นพระสกิดาคามีพระอนาคามีพระอารหันต์แลวเราก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไปเราก็จะอยู่ในพระนิพพานไปอย่างถาวร อ, อย่างไม่มีวันสิ้นสุดอยู่กับบรมมัสุขมคความสุขที่สูงสุดความสุขสุดยอดอยู่ที่พระนิพพานนี้ อยู่ที่การกาจัดตะกามตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหาให้หมดไปจากจิตจากใจนี่คือความสามารถศักยภาพของการเป็นมนุษย์มีมนุษย์เท่านั้นที่สามารถที่จะปฏิบัติธรรมเหล่านี้ได้ถ้าไปเป็นเทวดาเป็นผมก็จะไม่มีเวลาไม่สนใจกับการปฏิบัติ พราจะอยู่ในช่วงของการสวยความสุขกันก็จะไม่สนใจกับการที่จะมาศึกษามาหาวิธีดับความทุกข์และยุติการเวียนว่ายตายเกิดกันเพราะไม่รู้ว่าการเป็นเทพของตนการเป็นพรมของตนนี้เป็นของชั่วคราวพอเสื่อมลงมาก็ไม่รู้ว่าเสื่อมลงมาจากพรมมาเป็นเทพจากเทพมาเป็นมนุษย์ก็ไม่รู้ว่าเสื่อมกลับมา เช่นเดียวกับพวกที่ไปอบายก็ไม่รู้เวลาพ้นโทษออกมาว่าได้ไปใช้โทษอยู่ในอบายได้ไปตกนรกได้ไปเป็นเดรัจฉานพอมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ไม่รู้ว่ามาเกิดเป็นมนุษย์ได้อย่างไรพอมาเป็นมนุษย์ถ้าไม่มีใครสั่งใครสอนก็จะทาตามนิสัยเดิมทันทีถ้าชอบทำบาปก็จะทาบาปชอบอบายามุกก็จะเสกอบายามุกถ้าชอบทาบุญก็จะทาบุญ ชอบนั่งสมาธิก็จะนั่งสมาธิแต่ก็ไม่รู้ว่าทำไมต้องทำสิ่งเหล่านี้เพียงแต่รู้ว่าทำแล้วมีความสุขแต่ไม่รู้ว่าผลของการกระทำเหล่านี้จะมีอะไรตามมาบ้างไม่รู้ว่าการทำบาปถึงแม้ว่าจะเป็นความสุขนั้นมีโทษตามมาลายไปต้องไปเกิดในอบายไม่รู้ว่าการทําบุญการนั่งสมาธินี้มีผลตามมาไม่รู้ว่า เป็นผลชั่วคราวหรือผลถาวร evet. ถ้าเราไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสน า, าเราจะไม่รู้เรื่องราวเหล่านี้เราจะไม่รู้ว่าผลของการทำบาปก็เป็นผลชั่วคราวเมื่อทำบาปหมดแล้วก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ผลของการทำบุญก็เป็นผลชั่วคราวเมื่อไปรับผลบุญกลับมาแล้วก็ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็กลับมาเกิดมาแกม่มาเจ็บมาตายใหม่ มาทําบุญทาบาปกันใหม่แล้วก็ไปรับผลบุญผลบาปกันใหม่ก็จะเป็นอย่างนี้ไปอยู่เรื่อยๆจนกว่าเราจะได้มาพบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่จะสอนว่าเราสามารถาดึงตัวเราให้ออกจากาการเกิดแก่เจ็บตายการไปเกิดการไปรับผลบุญผลบาปในภพต่างๆชาติต่าง ๆ, ๆด้วยการมา หยุดความอยากกันมาตัดความอยากกันด้วยการทําใจให้สงบเป็นสมาธิเพื่อที่จะได้มีกําลังต่อสู้กับความอยากแล้วพอเกิดความอยากก็ใช้ปัญญามาเตือนมาสอนว่าอย่าทําตามความอยากทําตามความอยากแล้วความอยากจะไม่หมดความอยากจะมีเพิ่มไปเรื่อยๆแล้วจะเป็นตัวที่จะทําให้เราต้องดิ้นรนต้องทุกเวลาที่เราอยากแล้วไม่ได้ดังใจอยาก เราก็ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วนี่คือสิ่งที่เราจะได้รับจากการมาเกิดเป็นมนุษย์และได้มาพบกับพระพุทธศาสนาถ้าเป็นมนุษย์แล้วไม่มีพระพุทธศาสนาก็ยังจะติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดอยู่แต่ถ้ามีพระพุทธศาสนาแล้วเป็นมนุษย์เนี่ยเราก็จะได้รู้ว่าเราต้องปฏิบัติอะไรกันต้องทาอะไรกัน ก็ต้องทำตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้กระทำอยู่สามประการด้วยกันคือหนึ่งให้ละบาปทั้งปวงสองให้สร้างบุญทั้งหลายให้ถึงพร้อมสให้ชาระใจให้สะอาดบริสุทธิ์กาจัดความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดไปโดยการเจริญจิตตภาวนาสมถภาวนาวิปัสนาภาวนาที่จะเป็นตัวที่จะกำจัด ตันหาความอยากต่างๆที่หมดที่มีอยู่ในใจให้หมดไปพอหมดไปแล้วใจก็จะกลายเป็นนิพพานขึ้นมาใจเป็นใจที่สะอาดบริสุทธิ์เรียกว่านิพพานเรียกว่าปวะบรมสุขไม่มีการไม่มีความทุกข์อีกต่อไปไม่มีการเกิดแก่เจ็บตายในนิพพานอีกต่อไปหลุดพ้นจากการเวียนว่าตายเกิดหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวง ด, ด้วยการมาเกิดเป็นมนุษย์และด้วยการรับคําสั่งคําสอนจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างนั้นชาตินี้พวกเรากําลังมสงีสองสิ่งที่ประเสริฐคือการเป็นมนุษย์และการมีพระพุทธศาสนาเป็นผู้สั่งผู้สอนผู้นําทางขอให้พวกเราเอาเวลาของมนุษย์นี้มาทําประโยชน์ตามที่พระพุทธเจ้าโดยทรงสั่งสอนให้กระ ท, ทําเถิด อย่าไปเสียเวลากับการหาความสุขปรอมคือการหาลาบยศสรรเสริญหารูปเสียงกลิ่นรสเลยเพราะมันเป็นการหาพบชาติเป็นการต่อพบต่อชาติให้มันยาวขึ้นไปเรื่อยๆเราต้องตัดพบตัดชาติด้วยการยุติการหาลาบยศสรรเสริญหารูปเสียงกลิ่นรสผลิภัแล้วมาละการกระทำบาปทั้งปวงมาสร้างบุญกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อม และมาทำละใจให้สะอาดบริสุทธิ์แล้วเราก็จะได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดหลุดพ้นจากกองทุกข์ทุกรูปแบบที่เรากำลังผจนอยู่ในขณะนี้นี่คือเรื่องของความเป็นมนุษย์ของพวกเราและคุณประโยชน์ของพระพุทธศาสนาที่มีต่อการเป็นมนุษย์ของพวกเรา ขอให้เรานำเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดเถิดแล้วเราจะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนเพราะเราจะได้สิ่งที่เราทุกคนปรารถนากันก็คือได้ความสุขและหลุดพ้นจากความทุกข์นั่นเองการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พอ่อ ยะถาวาริวะหาปุราภิรุลินติสาคขังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิดเปเมวะสัมมิจโตสาเพปุเรุนตุส so ังกปาจันทูปนะระโสยะถามณิโชติ ภราสุยาธาสัพีติโยวิวัจฉานตุสัพพโรโควินัสสตุมาเตภวตวันตราโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนนีสิลิศะนิจจังวุฒาปจายโนจตารโอธรรมวทานติอายุวโนสุขัง ลำดับต่อไปก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านที่มีคาถามอยากจะถามก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยถามไปได้จนกระทั่งเราเลิกประชุมกันพอหลังจากเลิกประชุมแล้วก็ขอยุติการถามตอบถ้าใครอยากจะถามก็มีไมโครโฟนให้ท่านได้พูดถาม เพื่อผู้ที่ฟังที่ไกลจะได้ยินเสียงถ้ายังไม่มีก็จะให้ทางผู้ที่ควบคุมการถ่ายทอดสดทาง Facebook และ Youtube นำเอาคำถามที่ได้ส่งเข้ามาวันนี้มีผู้ชมติดตามเท่าไหร่ยูเ o ซบุ๊อ่าสามสามร้อยประมาณสา0ยี่สิบครับ you, Youtube วันนี้ ช่วงแรกเสียงเบาเลยมีประมาณยี่สิบหกยิบเจ็ดคนหนึ่ครับอตอนนี้ดังแล้วครับตอนนี้ก็ถ้ามีคําถามก็อ่านได้เลยคําถามจากคุณลมบนนะครับทําไมคนที่ถือศีลห้ามาตลอดเวลาไม่เคยทําบาปอะไรเลยพอมาทําผิดศีลผิดธรรมแล้วทําไมรู้สึกไม่สบายใจเลยครับมันจะรู้สึกผิดตลอดเวลากับศีลข้อที่เราได้ทำผิด ก็เพราะว่ามันทำให้เราไม่สบายใจเวลาเราทำบาปแล้วก็เลยทำให้เรามันก็ทำให้เราอยากจะให้มันหายเราต้องยอมรับความจริงว่าบางทีก็มีการผิดพลาดได้คือใจของเรายัางไม่มีสติควบคุมได้ร้อยเปอร์เซ็นบางทีใจเราก็ขาดสติ หรือถูกเหตุการณ์บีบบังคับซึ่งตามปกติถ้าไม่มีเหตุการณ์บีบบังคับเราก็คิดว่าเรารักษาได้และพอเกิดเหตุการณ์บีบบังคับขึ้นมาเราก็ยังไม่มีกําลังที่จะรักษาศีลข้อนั้นได้เราก็เลยต้องทําไปก็ให้เราใช้เหตุผลพิจารณาด้วยเหตุผลว่ า, านี่คือจุดอ่อนของเราที่เราควรที่จะมาแก้ไข อย่ามาหวงกับความบริสุทธิ์ของศีลที่เราเคยรักษามามันจะทำให้เราอยากให้มันบริสุทธิ์ทั้งๆ ท, ที่มันไม่บริสุทธิ์แล้ว ม, มันพลาดไปแล้วแต่เราสามารถรักษาให้มันบริสุทธิ์ให้ใหม่ได้ด้วยการหมัน่นเจริญสติให้มากขึ้นและให้พิจารณาเห็นโทษของการกระทำบาปว่ามันทำให้จิตใจเราไม่สบาย ทำให้จิตใจเราทุกข์แล้วต่อไปเวลาที่เราถูกกดดันหรือถูกบีบให้กระทำบาปเราก็จะยอมอทนก่อการถูกกดดันถูกบีบแต่เราจะไม่ยอมทำบาปเรายอมเสียสิ่งที่เราต้องเสียไปถ้าเราไม่ทำบาปเราก็ยินดี ให้เราเห็นคุณค่าของศีนมากกว่าคุณค่าของที่เราจะต้องเสียไปหรือไม่ได้มาแล้วเราก็จะสามารถที่จะรักษาศินได้ต่อไปการผิดพลาดในอดีตขอให้เรามาเป็นบทเรียนอย่าเอามาทำให้เราไม่สบายใจที่ไม่สบายใจเพราะเราอยากจะให้มันบอยสุดเหมือนกับเราเสียความเสียสาวไปเสียแล้วก็เสียไปจะทำไงได้ ไงก็ต้องเสียอยู่ดีคนเราทุกคนเกิดมาไม่มีใครที่ยังไม่เสียสาวเสียหนุ่มกันถึงเวลามันก็ต้องเสียเมื่อมันเสียแล้วก็รู้ว่ามันเสียถ้ารู้ว่ามันไม่ดีก็พยายามอย่าไปทํามันอีกพยายามป้องกันมันแล้วต่อไปเราก็ยังจะเป็นบอยสุดได้เหมือนเดิคคำถามจากทาง Youtube นะครับ คุณลาวันนะครับจะต้องมีสติควบคู่ไปกับจิตดวงสุดท้ายใช่ไหมคะจะได้ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกคืมันต้องมีสติตั้งแต่ปัจจุบันนี้ไปจนถึงวันตายมันถึงจะคุมได้ถ้าจะไปรอตั้งสติวนันในเวลาจะตายมันไม่มีทางที่จะตั้งได้หรอกแม้ขณะปัจจุบันสบายๆไม่มีอะไรมาเบียดขั้นมากดดันเรายังตั้งสติกันไม่ได้ เวลาที่ไปเจอความตายมาบีบคั้นมันจะไปตั้งสติอะไรกันได้มันก็จะเสียสติกันไปเสียส่วนใหญ่ที่เขาเรียกว่าหลงคนที่ใกล้ตายแล้วหลงเนี่ยแสดงว่าไม่มีสติสตังเพราะไม่เคยฝึกตั้งมาตั้งแต่ขณะที่ยังไม่ตายกันมาประมาทนอนใจมาคิดว่าเดี๋ยวเราไปตั้งจุดตอนจิตสุดท้ายดีกว่าสบายตั้งหนเดียวจบ มันตั้งไม่ได้หรอกถ้าตอนนี้ตั้งไม่ได้ตอนนี้สบายสบายยังตั้งไม่ได้แล้วไปเจอเหตุการณ์มีความตายเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยมันจะมีกระจิตมันจะมีสติสตังมาตั้งได้อย่างไรแต่ผู้นี้เขามีความเข้าใจว่าถ้าเกิดวางจิตดวงสุดท้ายได้เนี่ยจะไม่ต้องกลับมาเกิดอีกครับอาจารย์ก็นั่นสิก็ต้องไม่ไม่ใช่วางตอนสุดท้ายไงต้องวางเนี่ตอนนี้เอตอนนี้ต้องรู้ว่าตอนนี้ไม่กลับมาเกิดแล้วเนี่ย อางพระพุทธเจ้ารู้ตั้งแต่วันเพ็ญเดือนหกนู่นอายุสามสิบห้าเนี่ยพระพุทธเจ้ารู้ว่าท่านไม่กลับมาเกิดแล้วแล้วท่านก็อยู่สี่สิบห้าปีรอจิตสุดท้ายที่จะมาถึงเมื่อามาถึงท่านก็ท่านก็จิตสุดท้ายมาตั้งแต่สี่สิบห้าปีแล้วนีมันก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าตอนนี้เรายังไม่มีจิตสุดท้ายออยังไม่มีสติแล้วพอจิตสุดท้ายเราจะไปมีสติได้อย่างไรคําถามจากคุณนันทิดานะครับ อยากทราบวิธีให้จิตไม่ฟุ้งค่ะก็น่ก็ต้องมีสติต้องมีอะไรกากับใจสักอย่างบริกรรมพุทโธไปสวดมนต์ไปเฝ้าดูการเคลื่อนไหวการกระทำอะไรต่างๆของร่างกายไปหรือใช้กรรมฐาน4ี่ชนิดเนี่ยอย่างใดอย่างหนึ่งนึกถึงความตายก็ได้ดูอาการสามสิบสองไปก็ได้ผมขนเล็บวันหนังเนื้อเอ็นกระดูกไปดูลมหายใจเข้าออกไป อะไรก็ได้เพื่อให้เราไม่คิดเมื่อเราทำไปเรื่อยๆต่อไปเราก็จะควบคุมความคิดได้หยุดความคิดได้ใจของเราก็จะไม่ฟุง้งซ่านจากคุณกสิทธิการนะครับการบวชเพื่อบรรลุผลนิพพานจำเป็นต้องทุดงเข้าปากเขาใหม่ครับเพราะเหตุใดก็เป็นสิ่งที่จำเป็นเนี่ยเพราะว่า การที่จะค่าความอยากได้มันต้องไปอยู่ที่ไกลๆที่ไม่มีอะไรมาล่อความอยากตามป่าตามเขานี้มันไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสมามาสร้างกามะตันหามาปลุกกามะตันหาให้เกิดขึ้นหรือถ้ามันเกิดมันก็จะไม่ดุลแรงเหมือนกับเวลาที่อยู่ใกล้รูปเสียงกลิ่นรสมันจะปลุกมาตลอดเวลาเห็นรูปก็เกิดกา ม, มาตันหาได้ยินเสียงก็เกิดกา ม, มาตัหา แล้วจิตยังไม่มีกําลังไม่มีสติมันก็ล้มละเนล่ะนะทําให้ไม่สามารถที่จะทําทใจให้สงบได้แล้วก็ดีไม่ดีก็อาจจะต้องกลับไปหารูปเสียงกลิ่นรสลาสิกขาไปแต่ถ้าไปอยู่ไกลๆจากรูปเสียงกลิ่นรสถือทุดงควัตต่างๆเอมันก็จะทําให้พวกกามาตัตหานี้มันอ่ บกมาไม่บ่อยไม่มากไม่ทีมีอยู่ที่จิตของเราที่จะไปนึกถึงมันเท่านั้นเองแต่มันไม่มาบกเาหาเรางนั้นถ้าเรามีสติเราก็จะควบคุมจิตได้ไม่ให้ไปหารูปเสียงกลิ่นรสแล้วก็ไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสมาคอยกระตุ้นให้เราไปหามันมันก็จะทำให้เราปฏิบัติทำให้จิตสงบได้และตัดตัญหาความอยากต่างๆได้ง่ายกว่าการที่เราอยู่ ในบ้านในเมืองอยู่ใกล้กับแสงสีเสียงอยู่ใกล้กับรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆจะคุณดาดานะครับเมื่อสติไม่อยู่กับตัวมีวิธีไหนที่จะดึงสติกลับมาไว้เจ้าคะให้บริกรรมพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆหรือสวดมนต์ไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะกลับมาพอเวลาเราพุทโธเวลาเราสวดเราก็จะไปกับความคิดต่างๆไม่ได้ความคิดมันก็จะไม่เกิด เมื่อไม่มีความคิดเกิดขึ้นมาจิตก็จะอยู่ในปัจจุบันมีสติรู้อยู่ตลอดเวลาว่ากําลังทําอะไรอยู่จากคุณโจโจนะครับขณะเรานั่งสมาธิจิตเราชอบฟุ้งไปคิดหลายๆอย่างมีวิธีไหนที่จะระงับจิตไม่ฟุ้งได้ดีที่สุดการบริกรรมพุทโธเนี้ตั้งแต่ตื่นจนหลับเลยไม่ใช่มามานั่งมาบริกรรมพุทธรอน ตอนที่เรานั่งเท่านั้นหรือมาดูลมตอนที่เรานั่งเท่านั้นต้องทาทั้ ง, งวันเลยก่อนที่เราจะมานั่งจะใช้พุทธโธก็ได้จะใช้การเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายก็ได้จะใชะ้การสวดมนต์ไปภายในใจเรื่อยๆก็ได้แล้วใจก็จะไม่ฟุง้งจากคุณธนลงนะครับสิ่งใดเกิดได้ดับ ได้เป็นธรรมดาเป็นคุณธรรมพระโสดาบันและพระอรหันจะเห็นอะไรให้เป็นให้เป็นโสดาบันก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปเดี๋ยวก็ไปเห็นเองอขี้เกียจพูดพูดกับคนไม่ลืมตาหลับตาว่าสีเขียวสีแดงเป็นยังไงพูดไปมันก็ไม่รู้เรื่องอยู่ดีอให้ปฏิบัติไปให้ได้โสดาบันให้ได้สกิรดาคามีได้อนาคามีก่อนแล้วเดี๋ยวก็ได้อาหารหัน อรหันก็ได้เห็นว่าความอยากต่างๆหมดไปจากใจนั่นเองจะมีอะไรก็ปฏิบัติเพื่อกำจัดความอยากให้หมดไปจากใจพระสกินาคามีก็ยังมีความอยากพระอนาคามีก็ยังมีความอยากพระโสดาบันก็ยังมีความอยากแต่พระอาหานตนีไม่มีความอยากหองเหนืออยู่ภายในจิตใจก็จะรู้ว่าไม่มีความทุกข์อีกต่อไป จากคุณตองนะครับโยมสังเกตดูเวลาโยมไม่สบายร่างกายเรามันทรมานและมันผ่านทําให้สติหลุดฟุ้งซ่านเป็นเพราะโยมยังแยกแยะจิตกับร่างกายยังไม่ได้ใช่ไหมคะอะ่นั่นก็ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็ไม่มีสติไม่ฝึกสติไว้ก่อนถ้ามีสติอย่างน้อยก็จะสามารถทําให้จิตใจสงบไม่ให้ทรมานได้ครับ จากผู้ไม่ประสงค์ออกนามนะครับการสวดมนต์เราสวดบทบูชาพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณพาหุงบทชินะปัญชร น, นั่งสมาธิแล้วแผ่เมตตาจําเป็นที่จะต้องสวดเป็นบททำวัดเช้าทําวัดเย็นหรือไม่ไม่จําเป็นหรอกสวดพุทธโธคํำเดียวก็ได้ถ้าสวดได้เอาพุทธโธคําเดียวก็พอไม่นองสวดให้มันยาให้มันยุ่งให้มันยากกเปล่า แต่บางคนมันพุโทโธคำเดียวมันไม่ได้มันมันไม่ชอบมันเบื่อมันจําเจก็เลยชอบสวดบทยาวๆเขาก็เลยจัดบทต่างๆมาให้สวดจากคุณพีเจนะครับถ้ารู้สึกว่าใจเราสงบอยากนั่งสมาธิเลยไม่ต้องสวดมนก่อนแบบนี้ถูกต้องไหมก็ได้ถ้านั่งได้ก็นั่งไปเลยไม่ต้องสวดที่สวดพอทังทีมัน ส่วนเพราะว่าบางทีนั่งแล้วมันนั่งไม่ได้นั่งแล้วมันฟุง้งก็เลยเอาสวดก่อนสวดแล้วมันก็จะหยุดความฟุ้งได้พอมันหายฟุ้งก็จะได้พุทโธได้หรือดูลมหายใจได้นั่งสมาธิต่อได้คําถามจาก youtube นะครับจากคุณบีบนะครับแต่คําถามเหมือนไม่ค่อยชัดเจนนะครับทำเช่นนั้นเองอยู่แล้ววิบากผลกรรมมีส่วนในการสมมติโลก สมมุติทำชั่วข่าวหรือเปล่าครับอไม่รู้เหมือนกันมนพูดภาษาอะไรกันไปเลยเอาภาษาคนง่ายๆมันไม่ได้เลยออีกข้อนึงจากคุณบีบีนะครับและคุณพระรันาตนไตยนั้นว่างไรตัวยึดติดไม่คิดเบียดเบียนกันเกื้อกูลกันหรือเปล่าครับก็ไม่รู้เหมือนกันพูดเรื่องอะไรก็ไม่รู้ไม่เป็นไรอ ก็อาจจะพูดกันคนละภาษาส่งมาใหม่ก็ได้ครับขอภาษาไทยนะครับออจากคุณนันทิดานะครับเริ่มฝึกวิปัสสนาอย่างไรดีคะวิปัสสนาก็คือการรู้แจ้งเห็นจริงรู้ตามความเป็นจริงตอนนี้เรามันรู้ตามความหลงเราไม่เห็นสิ่งที่ทุกข์ว่าทุกข์เรากลับไปเห็นว่าสิ่งที่ทุกข์เป็นสุขเราเห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยง เราเห็นสิ่งที่ไม่ใช่ของเราว่าเป็นของเราเราก็เลยต้องมาสอนใจหมายว่าส hmm> um um um> um> um> um> um> ิ่งท um> um> ี่เราคิดว่าเป็นส um> um> ุขนะมันทุกข์นะเช่นเงินทองนี่มันเราคิดว่าสุขกันนะเวลาได้เงินทองมาแล้วเราสุขแต่เราลืมไปว่าเดี๋ยวมันหายไปนะเดี๋ยวมันหมดได้เวลามันหมดมันก็จะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาถ้าเราไม่ต้องเกี่ยวข้องกับเงินทองเราก็จะไม่ต้องทุกข์กับเงินเรื่องของเงินทองเพราะเรารู้ว่ามัน มันเป็นทุกข์ทุกข์เพราะว่ามันไม่แน่นอน เ, อเวลามันมีก็ดีสุขแต่เวลามันหมดมันก็จะทุกข์นี่ก็ต้องเห็นว่าเงินทองก็เป็นทุกข์ตําแหน่งต่างๆก็เป็นทุกข์ได้ตําแหน่งก็ดีใจเรื่องเงินสามวันสามคืนเดี๋ยวพอถูกก็ปลดขึ้นมาก็หน้าซีดจ่อยอไม่แน่นอนมีเจริญมีเสื่อมหรือเมื่อถึงอายุครบกเกษียณเขาก็ต้องให้เราออกจากราชการไป จะเป็นตำแหน่งอะไรจะเป็นใหญ่เป็นโตขนาดไหนพอถึงเวลากเกษียณอายุเขาก็ปดเราออกไปมันก็ทำให้เราทุกข์ได้หลังจากที่เราสูญเสียตำแหน่งไปนี่คือการการมองความจริงเรียกว่าวิปัสสนามองให้เห็นว่าทุกอย่างเป็นทุกข์เพราะทุกอย่างไม่เที่ยงแท้แน่นอนทุกอย่างไม่ได้เป็นของเราอย่างแท้จริงเป็นของเราเพียงชั่วคราว เวลาเขาเป็นของเราก็ดี อ, อกดีใจเวลาเขาไปเป็นของคนอื่นก็เสีย อ, อกเสียใจเช่นแฟนเราเวลาเขาเป็นของเราก็สุขพอเขาไปเป็นของคนอื่นเข้าก็ทุกข์เนี่ยพอไปคิดว่าเขาจะเป็นของเราพอ <c oughs> จะคิดว่าเขาแน่นอนเที่ยงแท้แน่นอนจะต้องเป็นของเราไปตลอดแต่ความจริงมันเปลี่ยนได้ทุกอย่างมันเปลี่ยนได้มีเกิดมีดับมีเจริญมีเสื่อม นี่คือการมองเห็นตามความเป็นจริงเรียกว่าวิปัสสนาเห็นทุกสิ่งในโลกนี้ว่าเป็นทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงเพราะว่ามันไม่ได้เป็นของเราอย่างแท้จริงถามยังไม่มีครับพเจ้าไม่มีก็นั่งสมาธิไปก่อนพักเดี๋ยวเดี๋ยวใครนกอยากจะถามอะไรก็เชิญขึ้นมาถามได้นะไม่ไม่มีก็นั่งสมาธิไปก่อนตั้งสพุทโธพุทโธไป ดูลมหายใจเข้าออกไปก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วจะรู้สึกเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วตอนนี้ยังมีเวลาอยู่ก็เลยยังเปิดโอกาสให้ผู้ที่อยากจะถามคำถามส่งข้อความเข้ามาก็ได้หรือขึ้นมาถามที่สารา น, นี้ก็ได้จากคุณโจโจ้นะครับวิธีการทำสมาธิ หรือเดินสมาธิหรือนอนสมาธิวิธีแบบไหนดีที่สุดหรือครับนั่งสมาธิดีที่สุดเนี่ยนอนสมาธิมันจะหลับนอนสมาธิก็ไม่สงบเหมือนกับนั่งยืนก็เดี๋ยวก็เมื่อยเดี๋ยวก็ล้มได้ดังน้นวิธีนั่งอ่ะเป็นท่าที่ดีที่สุดสําหรับการนั่งสมาธิการทําสมาธิแต่การจเจริญสตินี้สามารถจเจริญได้ในทุกอิริยาบถ เดินก็ได้ยืนก็ได้นั่งก็ได้นอนก็ได้ทําอะไรก็ได้คุณบีีส่งคําถามมาใหม่นะครับการปฏิบัติโลกและปฏิบัติธรรมก็อัตวิชาตัวเดียวกันแต่เปลี่ยนวิธีคิดเท่านั้นหรือครับคือการปฏิบัติธรรมมันมันก็ใช้ธรรมไม่ได้ใช้อวิชาการปฏิบัติโลกเนะี่ยเรียกว่าใช้อวิชา คือถ้าเราไปหาราบยศสารเสริญเนี่ยแสดงว่าเราถูกกิวิชาหลอกให้เราไปหาแต่ถ้าเรามาปฏิบัติธรรมนี้เราใช้วิชาของพุทธเจ้ามามาใช้มาหยุดมาหยุดความโลภมาหยุดความหลงกันยั่ถ้าปฏิบัติธรรมนี้เราเรียกว่าวิชาปัจญาสังขาราถ้าปฏิบัติทางโลกเราเรียกว่าอาวิชาปัจญาสังขารา คืออวิชชาเป็นผู้ผลักดันถ้าเราไปหาราบยศสารเสลเส่งนี่แสดงว่าอาวิชชาเป็นผู้ส่งเราไปถ้าเรามาหาศีลสมาธิปัญญาแสดงว่าวิชาคือธรรมะส่งเรามาออคือคําสอนของพระพุทธเจ้าหรือปัญญาของพระพุทธเจ้าความรู้ของพระพุทธเจ้าส่งให้เรามามาหาศีลมาหาสมาธิมาหาปัญญากันเพราะมันจะทําให้เราได้หลุดพ้นจากกองทุกข์กัน ถ้าเราไปทางของอวิชชาไปหาลาบยศสารเสริมสุขกันเราก็จะกลับมาเวียนว่ายตายเกิดกันอยู่เรื่อยไปไม่มีวันสิ้นสุดจากคุณโอมนะครับนั่งสมาธิอย่างไรถึงจะผ่าปิติไปได้ครับก็ให้มีสติต่อไปดูลมก็ดูไปเรื่อยๆอย่าหยุดมีปิติก็ปล่อยมันปิติไปเราก็ดูลมไปถ้าเราพุโทโธเราก็พุโทโธไปอย่าหยุดจะหยุดต่อเมื่อมันตกลุมตกบอ่อ พอจิตวูบลงไปแล้วจิตก็จะนิ่งพุทโธก็จะหยุดโลมหายใจก็จะหายไปเราก็จะสักแต่ว่ารู้เป็นอุเบกขามีความสุขอย่างยิ่งเราก็ไม่ต้องทําอะไรตอนนั้นก็ให้มันอยู่อย่างนั้นไปนานๆเท่าที่มันจะอยู่ได้ถ้าอยู่เดี๋ยวเดียวก็เรี ย, ว ก, ร ย, ว ก, รยวกว่าคณิกะสมาธิถ้าอยู่ได้นานก็เรียวกว่าอัปปนาสมาธินี่คือผลที่เราต้องการจากการนั่งสมาธิ ไม่ใช่ว่าพอสงบแล้วก็พิจารณาทาอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้การนั่งสมาธิไม่ต้องการพิจารณาการนั่งสมาธิต้องการให้จิตสงบนานๆการจะพิจารณารอให้จิตออกจากสมาธิก่อนหรือตอนที่ยังไม่ได้เข้าสมาธิก็พิจารณาได้แต่มันจะพิจารณาแล้วจะไม่เป็นประโยชน์เพราะถ้าจิตยังไม่มีสมาธิมันจะไม่มีกำลังใช้ ใช้ต่อสู้กับกิเลสถ้าเราพิจารณาเห็นว่ากิเลสเป็นต้นเหตุของความทุกข์เราก็จะหยุดมันไม่ได้เพราะเรายังไม่มีสมาธิแต่ถ้าหลังจากที่เรามีสมาธิแล้วออกมาแล้วเราพิจารณาเห็นว่ากิเลสเป็นตัวทําให้เราทุกข์เราก็หยุดมันได้จะคุณนภักนะครับสดมนแต่จิตชอบไปคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้ทําอย่างไรถึงจะมีสติเจ้าคะ ก็สวดไปให้ใต้ให้ฝึกสติก่อนที่มาสวดนีสวดไปเรื่อยๆทั้งวันอยากจะมาะทำจะเฉพาะเวลาเรานั่งสวดเพียงอย่างเดียวกําลังสติยังไม่พอต้องพยายามหยุดความคิดอยู่เรื่อยๆตั้งแต่ตื่นขึ้นมานี่อย่าปล่อยให้มันคิดให้มันสวดมนต์ไปเรื่อยๆสวดไปภายในใจอาบน้ําก็สวดมนต์ไปแปรงฟันก็สวดมนต์ไปทําอะไรก็สวดมนต์ไป แล้วพอมานั่งสวดมนต์มันก็จะไม่คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้จกคุณความรักนะครับเมื่อเรานั่งภาวนาจนจิตสงบไม่คิดอะไรนอกจากดูลมหายใจเราต้องทำอย่างไรต่อครับก็ดูลมหายใจต่อไปจนกว่ามันจะตกลุมตกบ่อแล้วลมหายใจก็จะหายไปเหลือแต่ความสุขเราก็จะไม่ต้องทำอะไรเมื่อถึงจุดนั้นเราก็จะอยู่นั้นไปจนกามันจะถอนออกมาเอง จากคุณตองนะครับเมื่อเราถูกเลี้ยงสอนมาผิดธรรมชาติใช่ไหมคะพระอาจารย์เช่นมีลูกสอนให้ลูกรักและหวงของมีคู่ครองต้องมีต้องมีทายาททายาททายาตนะครับาา ต, ต้องมีเงินทองต้องประสบความสำเร็จในวัตถุ <ừ. S 1> เสียส่วนใหญ่เลยทำให้มันวุ่นวายจนถึงทุกวันนี้โยมก็เป็นคนหนึ่งที่สอนลูกให้เรียนเก่งๆแข่งขันกัน ลูกก็ทําได้ดีแต่โยมรู้ช้าโยมควรแก้ไขอย่างไรคะให้เขารู้แจ้งอยู่กับธรรมะคําสอนเพื่อให้เขาอยู่รอดในสังคมคําสอนของพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงทํำให้เราอยู่ได้ทุกที่ก็พาหาพข้หาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่เรื่อยๆวันหยุดแทนที่จะไปเที่ยวสวนสนุกกันแทนที่จะไปช้อปปิ้งกันแทนที่จะไปดูหนังกันก็นกมาวัดกัน มาทำบุญใส่บาตรมาฟังเทศน์ฟังธรรมมานั่งปฏิบัติธรรมกันทำอย่างนี้ไปได้เรื่อยของนี้มันต้องใช้เวลามันต้องซึมซับเข้าไปทีละเล็กทีละน้อยอถ้าพามานันตั้งแต่เด็กเนี่ยเดี๋ยวพอโตขึ้นมันก็จะติดเป็นนิสัยแล้วจะมีภูมิคุ้มกันจะได้ยินได้ฟังเรื่องอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาจะได้ยินได้ฟังเรื่องกิเลสตัณห า, เ, าเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องนรกเรื่องสวรรค์ แล้วเขาก็จะมีทัศนคติเปลี่ยนไปจากเดิมแทนที่จะไปหาราบยศสเสริญเขาก็จะมาหาศีลสมาธิปัญญากันคุณนันทิดานะครับเราควรภาวนาขณะอ่านหนังสือเรียนใหม่คะหรือจิตควรจะมุ่งอย่างใดอย่างหนึ่งเวลาเรียนก็ต้องมีสติจดจ่ออยู่กับหนังสือที่เราอ่านอันนี้ก็เป็นการภาวนาเหมือนกันการเจริญสติเหมือนกัน ถ้าเราไม่มีสติอยู่กับการอ่านแล้วก็อ่านแล้วไม่รู้เรื่องอ่านแล้วจะจำไม่ได้ไม่เข้าใจแต่ถ้าเรามีสติอยู่กับการอ่านไม่ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เราก็จะจำได้เราก็จะเข้าใจเวลาสอบเราก็จะทำข้อสอบได้คุณโจโจ้นะครับการที่เราไปกินอาหารที่ใส่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในอาหารบ้างนิดหน่อยแต่กินแล้วไม่เมาถือว่าเราขาดสี่ห้าไหมครับ แล้วว่าขาดก็ได้หรืว่าไม่ขาดก็ได้มันก็มันก็เป็นเรื่องหนึ่งมันไม่เราไม่ไม่มีเจตนาที่จะไปดื่มสุราเราจะไปกินอาหารแล้วอาหารนั้นเขาก็ใส่สุรามาบ้างเป็นเหมือนชูรสเนี่ยแล้วก็ไม่มีผลกระทบต่อการรักษาสติของเราก็ไม่น่าจะจะเสียหายตรงไหนแต่ว่าผิดไหมก็ผิดเพราะมันมีสุราแต่ว่ามันมีผลกระทบเสียหายไหมมันไม่มี กินแล้วมันก็อิ่มท้องไม่ได้เมาไม่ได้เหมือนกินเ ด, ดิมเบียร์ทั้งแก้วเบ้าทั้งขวดอย่างนั้นถ้ากินอย่างนั้นอ่ะมันมันเกิดโทษแน่นอนเสียประโยชน์แน่นอนจากคุณอัจฉิชิตนะครับวิธีแยกจิตออกจากระบบความรับรู้ของร่างกายครับก็นั่นแหละใช้พุทโธนั่งหลับตาแล้วก็พุทโธพุทโธหรือเฝ้าดูลมหายใจเข้า อ, อแล้วจิตมันก็จะแยกออกจากร่างกายอืม จากคุณคชพลนะครับคณิกะสมาธิพอที่จะเจริญวิปัสนาใหม่เจ้าคะก็มีกําลังน้อยก็เจริญได้แต่อาจจะสู้ถ้ากิเลสตัวเล็กๆก็อาจจะสู้กับมันได้ถ้ากิเลสตัวใหญ่ๆก็อาจจะสู้ไม่ไหวเช่นของที่เราไม่ค่อยชอบเราอาจจะเลิกได้ของที่เราชอบมากๆนี้อาจยังจะเลิกยากแตของที่เราชอบน้อยก็อาจจะเลิกได้ แต่ถ้าของที่เราชอบมากอาจจะเลิกเลิ ก, เลกไม่ได้ต้องอาศัยสมาธิที่มีกําลังมากกว่าถึงจะเลิกได้จากคุณลาวันนะครับมีสติอยู่แต่ทําไมได้ข่าวร้ายเข้ามาทําให้กระเทือนใจจะทําอย่างไรคะ อ, อ๋อมีสติอย่างเดียวไม่พอถ้าจิตจะไม่สะเทือนใจต้องมีปัญญาต้องรู้ลงเ now มันทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องร้ายแรง ทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายถ้าเรามีปัญญารู้ล่วงหน้าว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องมีการดับพอมีข่าวเกี่ยวกับการดับเราก็จะเฉยเฉยเพราะเรารู้ล่วงหน้าแล้วว่ามันต้องดับแต่ถ้าเราไม่มีปัญญาเราก็คิดว่ามันไม่ดับพอมันดับเราก็เลยเราก็เลยสะเทือนใจขึ้นมานี่เป็นเพราะว่ามีแต่สติสติเพียงแต่หยุดความคิดเท่านั้นเอง แต่สติไม่สามารถที่จะรับเหตุการณ์ได้แรงได้ทับรับได้อย่างมากก็คือสาะให้ใจเวลาใจสะเทือนก็ใช้สติดึงมันกลับมาให้มันไม่สะเทือนได้เช่นเวลาพอได้ข่าวไม่ดีเรื่องเกิดความสะเทือนใจก็รีบพุโทโธไปพุโทโธพุโทโธไปอย่าไปคิดถึงเรื่องที่ทําให้เราสะเทือนใจเดี๋ยวพอเราลืมเรื่องนั้นไปความสะเทือนใจก็จะหายไป แต่พอเรากลับไปคิดถึงเรื่องที่ทำให้เราสะเทือนใจมันก็จะสะเทือนใจอีกจะไม่สะเทือนใจแต่เมื่อเราใช้ปัญญาเห็นว่าทุกอย่างในโลกนี้เป็นอย่างนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมีเกิดแล้วก็ต้องมีดับเป็นธรรมดาถ้าเราเห็นการดับเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องปกติมันก็จะไม่ทำให้เราสะเทือนใจต่อไป จากคุณอุบลรักษณ์นะครับทําอย่างไรจึงจะหมดกรรมในชาตินี้เจ้าคะก็อย่าทํากรรมนะหยุดความอยากต่างๆให้หมดหยุดกรร ม, มตัณหาหยุดภาวะตัณหาหยุดวิภาวะตัณหาเมื่อหยุดแล้วเราก็จะไม่มีกรรมอีกต่อไปเราก็จะไม่กลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไปจากคุณสุภากรนะครับเวลานั่งสมาธิพิจารณาร่างกายไล่าจากผมถึงเท้า วนไปแบบนี้ผิดหรือไม่ครับหรือให้อยู่กับพุทธโธอย่างเดียวแล้วแต่เราจะอยู่พุทธโธอย่างเดียวก็ได้จะอยู่กับอาการสามสองก็ได้แต่ต้องพิจารณาอยู่เรื่อยๆจนกว่าจิตจะสงบพิจารณาไปเรื่อยๆจนกระทั่งจิตหายฟุง้งจิตสงบก็หยุดพิจารณามันก็ใช้แทนพุทธโธกันได้จะใช้ผมขนได้พลันหนังเนื้อเอ็นกระดูกไปก็ได้จะใช้พุทธโธพุทธโธไปก็ได้ มันก็ทําให้จิตสงบได้เหมือนกันจกคุณความรักนะครับการปฏิบัติภาวนาตามหนังสือได้ผลน้อยกว่าการปฏิบัติที่มีครูบาอาจารย์ใช่ไหมครับก็ไม่แน่หรอกมันไม่ได้อยู่ที่หนังสือหรืออยู่ที่ครูบาอาจารย์อยู่ที่สติของผู้ปฏิบัติถ้าผู้ปฏิบัติรู้จักเจริญสติมันก็จะได้ผลมากถ้าไม่มีถ้าไมไ่รู้จักวิธีเจริญสติถึงแม้จะเรียนจากอาจารย์ ไม่ได้เรียนจากหนังสือมันก็ไม่ต่างกันนะหนังสือมันก็มาจากอาจารย์เพียงแต่ว่าไม่ได้ออกมาจากปากาของอาจารย์เท่านั้นเองแต่มันก็เป็นคําสอนเหมือนกันสอนให้มีสติดังนั้นจะเรียนจากหนังสือก็ได้เรียนจากอาจารย์ก็ได้แต่จะได้ผลดีไม่ดีอยู่ที่ผู้ปฏิบัติเองว่าสามารถจะจังสติได้หรือไม่ตอนนี้คําถามหมดครับอ เดี๋ยวก็พักสักสักนิดหนึ่งพักไปเรื่อยๆพูดบ่อยๆก็เหนื่อยอเดี๋ยวสักพักหนึ่งเดี๋ยวไม่มีใครอยากจะถามบ้างเลยที่อยู่แถวนี้ก็ดีนะแสดงว่าทุกคนฟังแล้วเข้าใจเรื่องฟังมานานฟังมาบ่อยฟังจะรู้บทแล้วแต่ทำไม่ได้ <laughs> รู้หมดแล้วกิเลสตัณหามีกี่ชนิดวิธีจเจริญสติจเจริญยังไงเวลานั่งสมาธินั่งยังไงสมาธิมีกี่แบบรู้หมดแล้วคร น, นี้กสปป ะ, ะสมาธิอุปจาระสมาธิอัปปนาสมาธิรู้หมดตายรักก็รู้หมดอันนี้จังทุกขังแลนัสตาอสุภะก็รู้หมดแต่ทําไมแล้วมันยังไม่เกิดผล พาอรู้อย่างเดียวไม่ได้เอามาปฏิบัติความรู้นี่มันต้องเอามาใช้กับกิเลสต้องมาหยุดกิเลสถึงจะได้ผลถ้ามีความรู้แล้วแต่ไม่เอามาใช้ดับกิเลสก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร<ฮ>เหมือนมีอาหารแล้วไม่เอามารับประทานก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรทํากับข้าวไว้แล้วก็ตั้งไว้เฉยๆไม่กินก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรทํากับข้าวแล้วก็ต้องกินข้าวที่เราทํากินแล้วมันจะได้อิ่ม การฟังเทศฟังธรรมก็เหมือนทํากับข้าวทําเสร็จแล้วก็ต้องกินทำเสร็จแล้วก็ฟังแล้วก็ต้องปฏิบัตินปฏิบัติก็เหมือนกับการกินกินธรรมะตอนต้นก็ทําธรรมะก่อนเอาธรรมะต่างๆมามาวางไว้อันี่คือสตินี่คือสมาธินี่คือปัญญาพอตั้งไว้บนโต๊ะและ้วทีนี้ก็ตักกินเนี่ยตักสติเข้าไปตักสมาธิเข้าไปตักปัญญาเข้าไปเข้าไปในใจ สร้างสติขึ้นมาสร้างสมาธิขึ้นมาสร้างปัญญาขึ้นม า, นม า, นมาแล้วพอมีสติมีสมาธิมีปัญญามันก็จะดับกิเลสได้ดับความทุกข์ได้มรุมาตรผลนิพพานได้ต้องเกิดจากการปฏิบัติคำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามนะครับฟังธรรมะจากพระอาจารย์แล้วเข้าใจและเห็นด้วยแต่ยังแต่ยังเป็นสุตตะและจินตะมยปัญญาอยู่ จะให้เป็นภาวนามายปัญญาติดกับใจต้องได้โสดาบันก่อนไหมคะเออไม่ต้องได้อัปปนาสมาธิก่อนต้องนั่งสมาธิทําจิตให้รวมเป็นอัปปนาสมาธิแล้วปัญญาที่เราได้ยินได้ฟังมาที่เราพิจารณาอยู่ก็จะกลายเป็นภาวนามายปัญญาพอกิเลสโผล่ขึ้นมาปั๊บก็ตัดมันได้เลยหยุดมันได้เลยแต่ถ้าไม่มีสมาธิก็หยุดมันไม่ได้มันก็จะเป็นเพียงแต่โสตะเป็นจินตามายปัญญา เป็นความรู้ที่ยังหยุดกิเลสไม่ได้ความรู้ที่จะหยุดกิเลสหยุดความอยากได้ต้องเป็นภาวนามยะปัญญาภาวนาก็คืออัปปนาสมาธิสมถะภาวนาต้องมีทั้งปัญญาควบคู่ไปกับอัปปนาสมาธิปัญญาถึงจะกลายเป็นจากสุตตะจากจินตาก็จะมากลายเป็นภาวนามยะปัญญาไป จะคุณกูรนะครับใจไม่ยอมรับความจริงเวลาพิจารณาจะแก้ไขอย่างไรดีคะก็ต้องพิจารณาไปเรื่อยๆพิจารณาไปบ่อยๆเดี๋ยวแล้วก็นังน่งสมาธิการที่ใจไม่รับก็เพราะว่ากิลเลสมันยังมีอยู่ในใจเราอยู่กิลเลสมันมีกำลังมากแต่ถ้าเรานั่งสมาธิทำจิตให้รวมเป็นอัปปนาได้กิลเลสมันจะถูกตัดกาลังมันจะถูกเหมือนกับถูกมัดเอาไว้ พอมันมันมดเอาไวา้แล้วทีนี้เราเอาปัญญามาสอนมันกิเลสก็จะไม่มาค้านใจก็จะรับได้เนี่ยการมีสมาธิจึงสำคัญต่อการเจริญปัญญาเพราะถ้าไม่มีสมาธิแล้วเจริญปัญญาเจริญความจริงกิเลสก็ใจก็รับไม่ได้เพราะกิเลสมันต่อต้านนี่เราต้องมาตัดกำลังของกิเลสด้วยการทำใจให้สงบเป็นอัปปนาสมาธิตอนนั้นกิเลสจะไม่ตายแต่กิเลสมอนถุง ถูกนับ8ดถ้าเป็นชคมวยก็นับ8ดพอลุกขึ้นมาก็สลืมเธอทีนี้เราก็ใช้ปัญญาลุกได้เลยต่อยสองสาหมัดก็ล้มลงไปนับสิบเลยจะคุณนันทิดานะครับนั่งสมาธิไปเรื่อยๆจะได้อัปปนาสมาธิเองใช่ไหมคะจะทราบได้อย่างไรก็นั่งไปมันก็ถ้านั่งถูกมันก็ได้ถ้านั่งไม่ถูกนั่งเป็นเป็นสิบปีก็ไม่ได้ วิธีนั่งถูกก็ต้องมีสติรู้อยู่กับอารมณ์ที่เราใช้กำกับใจถ้ารู้ใช้พุทธโธก็ต้องมีอยู่กับพุทธโธอย่างเดียวไม่ให้ไปคิดเรื่องอื่นถ้าดูลมหายใจก็ให้อยู่กับลมหายใจอย่างเดียวมันถึงจะรวมเข้าเป็นอัปปนาสมาธิได้จะได้ไม่ได้ก็อยู่ที่ปฏิบัติมากปฏิบัติน้อยด้วยถ้าปฏิบัติน้อยมันก็ยังไม่ได้เหมือนกินข้าวงี้กินสองสามคมันก็ยังไม่อิ่ม ก็ต้องกินมันไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะอิ่มเมื่ออิ่มแล้วเราก็หยุดกินเองเราภาวนาไปเรื่อยๆเมื่อจิตมันรวมเข้าสู่ความสงบแล้วเราก็หยุดภาวนาเราหยุดพุทธโธหยุดดูลมหายใจไปเองเพราะจิตมันเข้าสู่ความสงบแล้วจกุนเฮเดนะครับเวลานั่งสมาธิแล้วปวดกลางหน้าผากระหว่างคิ้วต้องทำอย่างไรคะโดยเปลี่ยนจุดกำหนดมาเป็นมองความว่างแล้วก็ยังเป็นคะจะแก้ไขอย่างไร ก็ถ้าดูลมไม่ได้หรือพุทโธไม่ได้ยังเป็นอยู่ก็สวดมนต์ไปก่อนเนื้วถ้าสวดมนต์ไม่ได้เปิดฟังธรรมะไปก่อนก็ได้เพราะว่าตอนนั้นกิเลส ม, มันมีกําลังมากมันต้านมันไม่ยอมมันไม่ยอมอยู่กับลมไม่อยู่กับพุทโธเอไม่ยอมสวดก็ลองฟังธรรมดูถ้าฟังธรรมก็ยังเป็นอยู่ก็ไปเปิดทีวีดูว่าแล้วกันเปิดทีวีแล้วเดี๋ยวมันคงจะหายปวดเองแสดงว่ามันไม่พร้อมที่จะรับธรรมะ จะคุณเกลียงไก่นะครับกำลังฌานสามารถเป็นเครื่องมือในการสู้กิเลสขั้นกลางและละเอียดได้ใช่ไหมครับขอทราบเทคนิคการทรงฌานทรงอารมณ์ฌานด้วยครับก็ให้มีสติเนี่ยเวลานั่งหลับตาให้พุโทโธไปเลือดูลมหายใจไปจนกว่ามันจะเข้าสู่อัปปนาสมาธิก็เรียกว่าฌานที่สี่พะอยู่ถึงฌานที่สี่แล้วเราก็ใช้สติประคองให้มันอยู่ไปจนกว่ามันจะถอนออกมา เมื่อถอนออกมาพอเจอกิเลสก็ใช้ปัญญาฆ่ า, ามันได้เลยจะคุณเบญจวรรณนะครับหากอยู่กับความรู้สึกของใจได้ไหมคะไม่ได้หรอกเพราะความรู้สึกของใจมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแล้วดีไม่ดีเดี๋ยวมันหลอกเรามันสร้างอารมณ์ไม่ดีสร้างความรู้สึกไม่ดีขึ้นมาแล้วเราก็จะทนนั่งต่อไปไม่ได้เวลานั่งสมาธิเราต้องมีอะไรควบคุมอารมณ์ควบคุมความรู้สึกของใจอย่าปล่อยให้ ใจผลิตความรู้สึกต่างๆขึ้นมาเพราะมันจะทำให้เราไม่สงบและอาจจะทำให้เราเสียได้จากคุณอดิศักนะครับทำไมต้องเทศมหาชาติต้องสวดพานยักษ์ด้วยครับมีประโยชน์อย่างไรอ๋อมันมก็เป็นเป็นอุบายของการให้ญาติโยมได้ฟังเทศฟังธรรมก็เลยต้องมีรายการพิเศษถึงจะฟังกันถ้าฟังตามปกติแล้วรู้สึกว่ามัน มันไม่มีอะไรเล้าใจเขาก็เลยหาเรื่องเหมือนกันหนังอะ่ะต้องหาเรื่องจอยักษ์จอใหญ่ อ, อมีคิงคองนี่อะไรมาดึงดูดใจคนมาให้ดูเย่างั้นถ้าหนังธรรมดาดูแล้วมันไม่ดูดดื่มใจเขาก็เลยมหาเทพมหาอะไรนี่ก็เหมือนกันอะ่ะเพื่อเป็นการดึงดูดใจคนมาฟังเทศฟังธรรมว่ามาเทพมหาชาตินี้โอได้บุญเป็นร้อย เป็นร้อยเป็นแสนเท่ากับการฟังเทศธรรมดา <Yeah. S 1> คนก็ไหลออต้องไปฟังแล้ว <Yeah. S 1> <laughs> เป็นการตลาดรูด้ไหมเป็นการตลาดของพระ <laughs> เราให้ญาอิมมาฟังเทศฟังธรรมกันแต่เนื้อหาสาระจริงๆนี่มัน ม, มันไม่มาก เ, เทศมหาชาติสอนให้เรารู้จักเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดนชาติต่างๆของพระพุทธเจ้าในอดีตว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้บําเพ็ญบา ร, รมีแบบนั้นแบบนี้มาในชาตินั้นเช่นเป็นเทศสันดอนก็ได้บําเพ็ญทานบา ร, รมีมีอะไรก็สละหมดใครอยากจะได้อะไรใครขออะไรก็ให้หมดนแล้วพอตายไปก็ได้กลับมาเกิดเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะแล้วก็ได้ออกบวชได้เป็นพระพุทธเจ้าต่อไปะ อันนี้ก็เป็นการสอนเรื่องบารมีต่างๆให้คนที่ยังไม่มีมบารมีหรือไม่มีศรัทธาให้เกิดศรัทธาแล้วก็ให้มาบําเพ็ญบารมีมาทําบุญกันเออเท่านั้นเองแต่ไม่ไม่เข้าไปลึกเหมือนกับที่เราเทศกันคุยกันไม่ได้พูดถึงเรื่องสติเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาเทศระดับนี้คนทั่วไปมันเข้าไม่ถึงคนที่มาที่นี่ต้องผ่าน พวกเทศมหาชาติมาแล้วถึงจะเข้ามาสู่เทศในระดับนี้ได้พอฟังแล้วรู้แล้วว่าเป็นอะไรแต่ยังไม่พ อ, อยังไม่ยังไม่เข้าถึงถึงจุดสําคัญของธรรมจุดสูนย์ธ ร, รมของธรรมก็คือการภาวนาการเจริญสติการเจริญสมาธิการเจริญปัญญาเนี่แสดงว่าพิธีกรรมต่างๆทางพุทธศาสนาเนี่ยจริงๆแล้วส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นเพื่อ ดึงดูดจิตใจไอ้างานวัดทำไมเขาต้องมีงานวัดเน่ถ้าไม่มีงานวัดคนก็ไม่มาวัดกันแล้วเดี๋ยวนี้ก็เอาเรื่องของทางโลกมาดึงดูดวัดบางวัดก็มี entertainment ไม่มีอะไรมีบันเทิงมีลำวงมีหมอลำมีภาพยนตร์มีลิเกคนไปวัดแทนที่จะไปทำบุญก็ไปดูหนังฟังเพลงกัน แล้วก็ไปปิดทองท่านหน่อยเอาเงินใส่ตู้บริจาคซื้อทูบซื้อเทียนจุดหน่อยแล้วก็ขอพรขอให้ได้นูน่นให้ได้นี่ก็ได้แต่เปลือกของศาสนายังเข้าไปไม่ถึงเนื้อจะคุณกูลนะครับการพิจารณาเห็นทุกสิ่งว่าว่างเปล่าแต่ยังมีตัวเราที่ยังมองเห็นว่ามีตัวตนอยู่ไม่ว่างจะทาอย่างไรไม่ ม, ไม่ให้มีแม้กระทั่งตัวเราคะ ตัวนั้นเราก็ต้องหยุดมันสิหยุดพิจารณาเมื่อเราหยุดเมื่อเรารู้ว่าทุกอย่างว่างแล้วเหลือแต่ตัวนี้ไม่ว่างเราก็หยุดพิจารณาเมอเราหยุดพิจารณาไอ้ตัวพิจารณานี้มันก็จะหายไปก็จะเหลือแต่ตัวรู้จะคุณเบญจวันนะครับโยมนั่งสมาธิแล้วค่อยๆสงบจนตัวแข็งเมื่อออกจากสมาธิตัวถึงจะค่อยๆคลายถูกต้องไหมคะ ได้มันเป็นไปได้ไม่เป็นไหลบางทีตัวเรารู้สึกแข็งเรื่อไรไปก็เป็นเรื่องของร่างกายอืเวลาเราภาวนาเราไม่ต้องสนใจเพราะเวลาภาวนานี้เราต้องการปล่อยร่างกายเราจะต้องการดึงใจให้ออกจากร่างกายมันก็อาจจะมีความรู้สึกอะไรต่างๆขึ้นมาก็เป็นเพียงความรู้สึกเท่านั้นเองไม่ต้องไปกังวลอืม จะคุณนันทิกอร น, นะครับถ้าเรามีแม่ที่ไม่ยอมรับความจริงไม่รักลูกต้องการแต่เงินและของเงินไปให้คนอื่นแจกคนอื่นวงเล็บสามีใหม่เพื่อต้องการโชว์ว่ารวยแต่แท้จริงแล้วไม่ใช่เลยพอไม่ให้หนีหรือจะฆ่าตัวตาย แ, ตและด่าสามแช่งลูกต้องทําอย่างไรคะตอนนี้หนีจากบ้านไปแล้วพวกลูกๆ ก, กุ้มใจมากก็ปล่อยแกไปตามความอยากของแกก็แล้วกัน ในเมื่อเราไม่สามารถตอบสนองความอยากของแกได้เพราะว่ามันเป็นโทษมันไม่เป็นคุณเป็นประโยชน์ถ้าแกเดือดร้อนเรื่องปัจจัยสี่เรื่องอาหารเรื่องที่อยู่อาศัยเรา ก, ก็ควรจะสงเคราะห์ทดแทนบุญคุณไปแต่อย่าไปสงเคราะห์ทดเพื่อสนับสนุนกิเลส ข, ของแกก็แล้วกันถ้าแกไม่ยอมแกจะไปตามภาษาของแกก็ปล่อยแกไปไม่เป็นการในระคุณหรือไม่เป็นการไม่มีความเคารพแต่อย่างใด หมดแล้วยังคุณคุณคุณลาวันแจ้งว่าอยู่ต่างประเทศอยากได้หนังสือจะทําอย่างไรดีคะไปดาวน์โหลดเอาดีกว่านะในพระสุชาติคอมนี้มีที่ดาวน์โหลดหนังสือธรรมะทุกเล่มที่เรามีอยู่เข้าไปในหน้าหนังสือแล้วก็จะมีเนื้อหนังสือต่างๆที่สามารถดาวน์โหลดหน้าอ่านในในเครื่องได้หมดแล้วยั ง, งก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา